30 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. ให้ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยพลัง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 ด้วยมีชีวิตครอบครัวที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมรักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินชีวิตครอบครัว ต่อไปนี้ขอ <ม. S 1> จะรู้เรื่องหรอเชื่อดิเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบเถอะครับถึงลูกเลิกยา แน่ใจแล้วหรือหมอดาวหวานที่คุณตัด มีดิฉันเกิดที่นั่นค่ะผลหน่อยหมอดิฉันเกิดดิฉันถึงได้เลือกไปนั่นค่ะตอน และขอให้โชคดีขอเพราะคุณค่ะให้ ปุ๋ยกลับบ้านเก่าบ้านะ บอกพวกเธอวันนี้เพื่อมื้อนี้ๆแถมยังเป็นผู้หญิงที่ กับใจที่หวงฉันนะปุยจินแต่ฉัน แล้วฉัน มันจะมาถึงเมื่อไหร่นะผู้ใหญ่ถึงวัน เดโอสะดุดหกล้มไปแข้งขาหักลูกสาวก็เลย ครูใหญ่ดีเลิศเป็นผู้ชายแท้ๆยังขอย้ายหนี ชื่อแทนคุณใครดี สมมุติของแกเรื่อยเฮ้ย แต่ก็มาทําไมว้ายน้องกิ๊บเอ้ยเรา <IS> เธอเป็นคนต้อนรับ ใครกันน่ะเอ๊ะนั่นไอ้เถียนมันเมายาจนนั่นผู้หญิงที่ไหนก็ก็ คิดว่าเป็นหมอแน่เหรอนะผู้อย่าอย่าอย่า เตรียมพร้อมว่าฉันไม่ทําอะไรหรอกจ้ะอะนี่นี่ 5 นาที เพราะว่ายานอนหลับอย่างแรงที่หวานให้กิน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 สำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรม อ๋อเจอเลยครับคุณครูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเจอยา ที่จริงมีเป็นญาติผู้พี่น่ะค่ะแต่ดัน ผู้หญิงตัวนิดเดียวแต่ใจกล้าน่าดูจริง แต่ถึงตอนนั้นไม่รู้คั่นจับคนเป็นปู่พา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 กอบพ่อ เป็นแก้ไขละคะแม่ก็เป็นถึงผู้ใหญ่ แล้วก็ไม่ใช่แค่วันอีกคนด้วยแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านนี้ที่ต้องช่วยกันใช่แค่หวั่นอีกคนด้วยแต่พวกเรา และถือว่า ปลายฟ้าขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณแขค่ะเป็นพยาบาลที่นี่มา 4 งั้นแขเรียกว่าพี่หมอ ทางเงียบและเงาๆ หมวดเข้ารุ่งรังกันกับโจเลยค่ะตอนเนี้ยเหลือเราเป็นผู้หญิงอยู่ฮะผมผมอยากได้ ทำไมถึงยาแล้ว แต่แค่เวลาผ่านไปไม่กี่ปีแค่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 นักผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกษัตริย์ศิลาบุญญฤทธิ์ และเฉลิมพลศิริประเสริฐศักดิ์ชนะฐานอาสาควบคุมเสียงอาธรภาธิพัฒนะดินดา